รู้แจ้งอริยสัจคือรู้ทุกข์พวกเรานักปฏิบัติร้อยละร้อยเอาแต่แทรกแซงเลยเสียเวลาแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราก็ไปบังคับกายบังคับใจยืนเดินนั่งนอนอะไรให้มันผิดธรรมดาไปหมดเลยเราดัดแปลงของธรรมดาคือกายกับใจจนผิดธรรมดาเลยเห็นความเป็นธรรมดาของมันไม่ได้มันง่ายที่สุดเลยนะ เราจะเห็นขันท่าทํางานไปปรุงแต่งไปทั้งวันทั้งคืนเรามีหน้าที่รู้ความปรุงแต่งของเขาอย่าไปช่วยเขาปรุงแต่งส่วนใหญ่พอจิตไปปรุงอากุศลเราก็ไปปรุงกุศลมาแก้กันหรือจิตมีความทุกข์เราก็หาทางให้มันมีความสุขเราไปปรุงแต่งซืเองเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วจิตปรุงแต่งไม่เป็นปัญหาแต่เราอย่าไปปรุงแต่งจิตจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งจะไปทําให้เขาไม่ปรุงแต่งไม่ได้ จิตมีธรรมชาติต้องรู้สึกนึกคิดจะทำให้หมดความรู้สึกไม่ได้บางคนฝึกจนหมดความรู้สึกนะหมดความนึกความคิดหมดการปรุงแต่งเราไม่ได้ฝึกให้จิตหมดความปรุงแต่งเราฝึกจนหมดความปรุงแต่งจิตขันก็ยังคงเป็นขันอยู่อย่างนั้นเองขันก็ปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นเพราะขันเป็นสภาวธรรมที่ปรุงแต่งเป็นสังขตธรรมต้องปรุงแต่งแต่ใจของเราไม่เข้าไปปรุงแต่งขันใจก็มีความสุขหมดหน้าที่หมดภาระ ภาวนาจนถึงจุดสุดท้ายมันจะรู้สึกเลยจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงคือเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจจะเบื่อหน่ายเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วเบื่อเสมอกันแล้วคลายออกคลายกำหนัดคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นมันก็รู้ว่าหลุดแล้วนะหลุดแล้วมันรู้ว่าหลุดพ้นแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าชาติสิ้นแล้วชาติคืออะไร ชาติคือความเกิดคือความได้มาซึ่งอายตนะความได้มาซึ่งรูปซึ่งนามชาติสิ้นแล้วเพราะว่ามันวางรูปวางนามไปหมดแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่ที่พระพุทธเจ้าสอนขันห้าเป็นภาระพระอริยเจ้าวางภาระลงแล้วไม่หยิบฉวยภาระอันใหม่นี่เรียกว่าชาติสินนส้นแล้วพรหมจรรย์สิ้นแล้วหมายถึงการประพฤติธปฏิบัติธรรมจบแล้วจบการศึกษาในศาสนาพุทธแล้ว พรหมจรรย์นี่คือเรื่องของการศึกษาศึกษาศีลสมาธิปัญญาให้แจ่มแจ้งจนปัญญาแจ่มแจ้งในรูปในนามแล้วก็ปล่อยวางได้ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำคือปฏิบัติไปนี่เพื่อความพ้นทุกข์มันหมดภาระหมดงานแล้วกิจที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนี่มันจะแจ้งขึ้นในใจใจมันจะเต็มมันจะอิ่มมันจะเป็นอิสระไม่มีอะไรห่อหุ้ม กว้างขวางใหญ่โตมีแต่ความสุขล้วนเลยความสุขของคนในโลกนี้มีเล็กน้อยความสุขของคนในโลกมันเคลือบๆลบใจอยู่นิดเดียวความสุขในการมาสุขนิดเดียวความสุขในฌานกว้างขวางกว่าจะรู้สึกมีความสุขอิ่มเ อ, อิบไปทุกขุมขนมันเปล่งและสมีออกมาความสุขของนิพพานไม่มีขอบไม่มีเขตคือใหญ่กว่ากันเยอะไม่ว่าจะอย่างลงตรงไหนจะอยู่ตรงไหนนะมีแต่ความสุขล้วน ศาสนาพุทธนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดเลยพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีบุญวาสนามากให้ภาคเพียงรู้กายรู้ใจของเราไปจะเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นลำดับลำดับไปเมื่อไรเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆนั่นแหละเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วพวกเราไม่สามารถรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนเราจะรู้ได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง จิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่าไม่รู้ทุกข์นะแล้วก็ไม่เข้าใจสมุทัยด้วยละตัณหาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัณหากับทุกข์โยงกันอย่างไรมีเรื่องที่เราไม่รู้เยอะอริยศาสตร์เป็นธรรมะที่ลึกที่สุดเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าตราบใดยังไม่รู้แจ้งในอริยศาสตร์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอยากรู้แจ้งอริยศสตร์มีแต่รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจลงไปมากๆ รู้บ่อยๆรู้ตามความเป็นจริงไม่ดัดแปลงกายดัดแปลงใจด้วย